พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปนโนแสดงโปรดกณะมอมหลวงจิตตินโนพง์ที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2588ณวัดปาบ้านตาก จ, จังหวัดอุดรธานีเราทุกตุกทันต่างก็มุล ด้วยความลดหย่อนผ่อนผันทุกที่มีอยู่ทั้งเกี่ยวกับภายนอกและภายในและพยายามมาจากสถานที่ต่างๆเล่นแล้วแต่มาด้วยความสนใจใช้ต่อธรรมะธรรมา ส, อสอนของพระพุทธเจาาซึ่งเป็นื่้น จะแก้ไขหรือบันเทาสิ่งที่เราไม่ต้องการได้เกดเรื่องของทุกจะมีมากมีน้อยก็เป็นไปทั้งนั้น คำว่าทุกนี้ไม่ทราบว่าไม่มาเกี่ยวข้องหรือผูกมัด ก, กับเราเมื่อไรไปที่ไหนดีที่ใดก็ได้ยินแต่จะพยายามกดเตรืองออกจากทุกไม่ว่ากับและบุคคล มีกิริยาท่าทางเช่นเดียวกันหมดแต่ทางที่มาของทุกหรือผู้ที่จะก้าวเข้าไปหาทุกไม่ค่อยจะปรากฏแต่เรื่องของทุกนึกถึกว่าจะมีอยู่ทุกแห่งทุกผลบรรดาสิ่งที่มีใจครอง ทีบำเพ็ญหรืออุบายที่จะปกเกืองจากทุกไม่ว่าทุกประเภทใดๆนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมะคาอสอนของพระโพธจักรซึ่งเป็นธรรมชาติที่แน่นอน คำว่าแน่นอนนั้นก็พอยกพอยกมาอธิบายให้ฟังได้เพียงเล็กน้อยซึ่งให้เราถึงนอย่างง่ายง่ายก็คือคำว่าสุขาตัตธรรม แปลว่าทมที่พระพุทธเจ้าตรับให้ชอบแล้วเทียบกันได้กับคำที่ว่าสองบวกกับสองเป็นสี่ดังนี้เป็นต้นเมื่อสองบวกกับสองแล้วไม่ว่าใครจะบวกู่ที่ไหน าเป็นการถูกต้องตามหลักของการบวชจะต้องบอกว่าเป็นสี่ทั้งนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าใครๆในโลกนี้จะทำการบวกจะต้องบอกว่าสองบวกสองเป็นสี่ด้วยกันนี่หลักธรรมะคา ส, สอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ใดๆ ที่ได้ถึงแดนแห่งความตรัสรู้ธรรมของจริงขึ้นมาต้องอาศัยหลักธรรมคือสองบวกสองเป็นสี่ 4. ถูกต้องเป็นลำดับตั้งแต่ต้นตลอดจนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหากว่าดให้ผิดเพี่ยนไปจากหลักที่กล่าวนี้ แม่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะปรากฏขึ้นมาให้โลกได้บูชากราบไหว้ไม่ได้ดังนั้นโลกทั้งหลา ย, ลายจึงไม่ยอมกราบไหว้เคารพ บ, บูชาและน้อมเอาธรรมะคำอสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องชี้ช่องบอกทางตนเองซึ่งเราเป็นผู้ไม่สามารถ จะทำการบวกลบให้ถูกต้องได้เช่นเดียวกับพระองค์ท่านคำที่ว่าเราไม่สามารถจะทําการบวกลบให้ถูกต้องได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั้นคือไม่พูดง่ายๆก็คือว่าสองบวกสองเราเห็นว่าเป็นห้าไปเสียสามบวกสามเป็นเจ็ดเหล่านี้เป็นจ้น สิ่งใดที่ทมของขพระพุทธเจ้าเห็นว่าถูกต้องแทนที่ใจเราจะคล้อยตามหรือเชื่อมั่นตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้โดยชอบธรรมนั้นแตกกลายเป็นเรื่องฝืนไปเสียสิ่งที่ตน ชอบใจและฝืนไปด้วยนั้นคือเป็นเรื่องสองบวกสองเป็นห้าผลที่ได้รับจึงเป็นเรื่องเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแสแวงหาความสุขความเจริญจึงกลายไปเป็นเรื่องแสแวงหาความทุกข์ความลำบากแกต่ตนเอง โดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะทำการบวกลบผิดจากหลักธรรมชาติที่ถูกต้องพระพใทธเจ้าไม่ว่าองค์ใดๆต้องตอรัสรู้ธรรมของจริงคืออริยสัจจะทมทั้งสี่ด้วยกัน ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดๆที่จะฝืนสัจธรรมทั้งสี่นี้ว่าเป็นของไม่จริง ท, กกงงทกงงุกก็เป็นของจริงสมุทัยก็เป็นของจริงมรรคก็เป็นของจริงนิโรธก็ต้องเป็นของจริงและรู้ตามหลักความจริงว่าทุกต้องเป็นทุก์แน่นอนซึ่งจะควรเป็นเครื่องสะดุด จิตสะดุดใจและหาวิธีถอดถอนต้นเหตุคือเรื่องของสมุทัยนั้นออกจากใจได้ด้วยมักคือความอุตสาห์พยายามในทางที่ถูกผลจึงปรากฏเป็นสองบวกสองกลายเป็นสี่ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนถึงภูมิอันสมบูรณ์ได้แก่ความตรัสรู้ธรรมของจริง คือรู้แจ้งชัดตามหลักความจริงแห่งสัจธรรมทั้งสี่ความรู้แจ้งชัดนั้นจึงกลายเป็นความจริงเป็นธรรมของจริงขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าความบริสุทธิ์วิมุตต์หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นข้าศิกทั้งหลายกลายเป็นใจที่อัศจรรย์ หรือถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่เศษอัศจรรย์ของโลกผู้หนึ่ ง, งที่ได้ตรัสรู้ธรรมของจริงเรื่องอริยสัจธรรมนี้เคยเป็นของจริงมาตั้งแต่การไหนไหนไม่เคยละความจริง แม้แต่นิดหนึง่งแต่เมื่อโลกทั้งหลายมาทําการบวกลบกับธรรมของจริงนี้กลายเป็นของปลอมขึ้นมาภายในตัวโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นจึงค้นหาธรรมของจริงไม่พบแม้จะมีอยู่ภายในตนเองเนื่องจากสองบวกสองกลายเป็นห้าไปนั่นเอง ความรู้สึกที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราทุกๆท่านเป็นสิ่งที่เจือด้วยของปลอมแปลงทั้งหลายเมื่อกระเพื่มตัวออกมาจึงกลายเป็นสองบวกสองเป็นห้าไปเ ล, เลื่อยผลที่จะได้รับจึงไม่ค่อยจะตรง ตามล่องรอยแห่งความปรารถนาของตนดังนั้นถ้าไม่ได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมะคำส อ, สอนของพระโพธิเจ้าซึ่งเป็นธรรมตายตัวและเป็นแบบฉบับของโลกผู้ไม่สามารถจะบวกลบคูณหารโดยลำพังตนเองได้ได้อาศัยหลักธรรมะซึ่งเป็นแบบพิม์อันตายตัวของพระองค์ท่าน ได้ไปปรับปรุงตนเองพยายามดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามแถวธรรมะอันเป็นของตายตัวนั้นผลที่จะพึงได้รับก็ปรากฏมีความสงบเยือเกเยน็นไม่ว่าโลกจะนำไปประกอบหรือบำเพ็ญตามหน้าที่หรือกําลังความสามารถและเพศของตน ยอมใจรับความร่มเย็นเป็นจุกไปตามลำดับแห่งกา ร, ป, รปฏิบัติได้มากน้อยผู้ที่เป็นนักบวชก็อุตสาห์พยายามบำเพ็ญตามหน้าที่และเพศของตนให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมที่มีไว้สำหรับนักบวช ผู้นั้นก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งเป็นผลตอบแทนเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติอันดีงามของตนเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่รอบด้านไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในซึ่งเราทุกทุกท่านก็ได้ทราบกันทั้งนั้น ทุกเหล่านี้เราก็มีวันที่จะปลดเครื่องออกได้จากจิตใจของตนพอจะมีความสุขความเจริญทางด้านจิตใจ เราพู่เป็นช้างตีนหลังหรือเท้าหลังคือพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นเหมือนกับช้างเท้าหน้าแม้จะมีอุปสรรคสิ่งใดๆที่ทำการขีดขวางพระองค์ท่านก็ทรงฝ่าฟื้นไปได้โดยตลอด เราก็คงไม่มีอุปสรรคขนาดนั้นเพราะเป็นท่างเท้าหลังจึงควรจะอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนให้เต็มสติกำลังความสามารถที่ได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักความจริงโดยสมบูรณ์อย่าให้เสีย ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งนับวันนับคืนไปได้นับเดือนนับปีไปได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ควรจะได้นับคุณงามความดีที่เราได้<ม>บาเพ็ญประจํามือ้อประจําวันและประจําปีเดือนไปเช่นเดียวกันกับมื้อวันปีเดือน นี่เราจะไม่เสียทีในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ชื่อว่าเราได้ก้าวไปเป็นลํำดับการก้าวไปด้วยการบําเพ็ญตามแนวธรรมะคําตั้งสอนของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเราได้ก้าวออกจากทุกไปวันละเล็กละน้อยเพราะทุกทั้งหมด จะเกิดขึ้นเพราะความไม่รอบครอบของเราไม่ว่าไม่รอบครอบในจิตบ้านการ<ม>การเรียนไม่ว่าไม่รอบครอบในส่วนภายในคือใจของตนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถ้าเราได้บาเพ็ญตามหลักธรรมซึ่งออกมาจากความเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าเราจะมีวัน ที่จะได้ก้าวพ้นจากทุกเป็นระยะระยะไปจนสามารถพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเป็นค้าสึกต่อจิตใจของเราชื่อว่าทุกทั้งหลายซึ่งเคยเป็นเลือนดูหลับนอนของเรา เราก็จะได้เปลี่ยนจากสภาพอันนี้ออกไปกลายเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมะคือความสุขความเจริญภายในจิตจใจนี่แหละหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระโพธิจาจึงมีความจำเป็นสำหรับเราผู้ที่มี สิ่งจะควรแก้ไขอยู่ภายในตนด้วยกันหน้าที่การงานอย่างอื่นๆซึ่งเราเคยผ่านมาเป็นประจำไม่ว่าหนักเบามากน้อยเราสามารถดำเนินและผ่านมาได้เป็นลำดับส่วนงานซึ่งเป็น งานที่แท้จริงของเราได้แจ้งานการบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับเรานี่เราก็ควรจะห้ทําทำความพยายามฝ่าฝืนหรือบึกบืนเช่นเดียวกับงานภายนอกผลที่เราจะพึงได้รับนั้นจะเป็นที่พอใจ เป็นลำดับลำดับไปถ้าจะปลอยไปตามใจชอบไปตามยะถากรรมและจะมอบให้โอกาสวาสนาอํานวยเป็นผู้มาตัดสินหรือพยุงเราให้ไป จูจุดประสงค์ที่เราต้องการแล้วเห็นจะไม่มีวันที่เราจะถึงแดนแห่งความสมหวังได้เพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพทุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้โดยชัดเจนแล้วว่าวิเิเยณทุกขมัสเจติ ซึ่งแปนเนื้อความว่าบุคคลย่อมก้าวพ้นจากทุกไปได้เพราะความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าทุกทางโลกหรือทุกข์ในด้านธรรมนิยมถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรแล้วจะผ่านพ้นไปไม่ได้ วันไหนก็จะบ่นแต่ทุกแต่ยากลำบากเข้นใจไร้รั์อับปัญญาไม่มีความสามารถจะปกครองตนได้สิ่งใดๆก็ฝูดเพืองไปทั้งหมดในบุคคลผู้นั้นที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องท้ายสอยก็ขัดผลจนใจไม่มีสิ่งใดที่จะสนองในคราวจำเป็นนี่คือขาดความขยันหมั่นเพียร ผลต้องแสดงความปลดเครืลิงให้เราเห็นทุกระยะไปเรื่องของทุกที่ธรรมนิยมก็ได้แก่ทุกข์ขั์ที่มีประจําอยู่ด้วยกันทุกๆราย น, นี่ก็จะต้องพยายามฝ่าฝืนหรือกล้าล่วงไปได้เพราะอํานาจแห่งความขยันหมั่นเพียรเหมือนกัน ไม่ใช่จะ ก, ก้าวไปเอาเฉยยโดยไม่ต้องบำเพ็ญเหตุซึ่งมีความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังจิตนี้เป็นตัวพยชน์อันสำคัญสัตว์พาหะเรานำมาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรแก่ กำลังของเขาก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมไม่เช่นนั้นก็ใช้การไม่ได้จิตใจที่จะให้มีความดีความเด่นเป็นจิตที่มีความเฉียวฉลาดรอบตัวใช้การใช้งานได้ทุกอย่างก็ต้องอาศัยการอบรมดัดแปลง ถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของใจจริงๆแล้ววันยังคำคืนยังรุ่นและตั้งกับตั้งกันจะไม่มีวันไหนที่จิตใจจะเสาะสแสวงหาความสุขมาให้เราโดยที่เราไม่ได้ดัดแปลงอบรมเขาให้เป็นไปในทางที่ดีดังนั้นการดัดอบรมดัดแปลงตนเอง จึงถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับคนตกน้ำถ้าไม่เป็นหน้าที่ของตัวเองซึ่งจะกำลังตกซึ่งกำลังตกอยู่ในน้ำพยายามแบกว่าตัวเองให้ถึงที่ปลอดภัยแล้วผู้นั้นก็ต้องจมน้ำตายโดยไม่ต้องสงสัย การตกน้ำไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยต้องเป็นเรื่องถึงแจกชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นต้องถือเป็นเรื่องสำคัญสนับตัวเองจะพยายามแบกว่ายและช่วยตัวเองจนหมดความสามารถเรื่องนัติตัญหาสมานาถิ แม่น้ำคือความทะเยอทะยานของจิตที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงอันไม่มีประมาณซึ่งล้อมรอบอยู่ภ า, ายในจิตใจนี้ก็จัดว่าเป็นภัยอันสําคัญสําหรับผู้ที่มีความมุ่งหวังจะข้ามพ้นจากเขาเพื่อถึงแดนแห่งความเมากษมจะพยายามแบกฝ้ายตนเองโดยหวังพึ่งตนเองเป็นประโยคพยายาม แต่อาศัยครูอาจารย์เป็นผู้แนะนำําสอนชี่แนวทางให้แล้วนำมาประกอบโดยลำพังตนเองการพิจารณาจิตให้รู้วิถีทางเดินของจิตที่เป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนโดยละเอียดต้องอาศัยความ ะแสวงหรือความสอบต่อ ง, งมองดูเรื่องของตนที่จะเคลื่อนไหวไปทางไหนดีก็พยายามให้ทราบทำความเข้าใจกับเรื่องดีที่เกิดขึ้นจากตนจะเป็นเรื่องชั่วก็พยายามทำความเข้าใจกับเรื่องชั่วว่าเกิดขึ้นจากที่ไหนและผู้ใดเป็นผู้ชั่ว ผู้ใดเป็นผู้จะสามารถทราบเรื่องความชั่วที่เกิดขึ้นและผู้ใดจะเป็นผู้ถอดถอนความชั่วนั้นออกจากตนได้ด้วยวิธีใดต้องทำการสอดรู้อยู่เช่นนี้กิเลตัณหาอาสวะที่เราถือว่าเป็นภัยนั้นไม่ใช่ผู้ หนึ่งผู้ใดจะมาปรุงแต่งหรือสั่งสมขึ้นมาเพื่อเราแต่เป็นเรื่องความเผลอเลอของเราหรือความไม่รอบคอบของเราตั้งหาที่ทำการสั่งสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อปรากฏผลขึ้นมาจึงเป็นที่ไม่พอใจ และเกิดความทุกข์ไม่พึงปรารถนาในจริงแล้วก็เป็นเหตุให้เพิ่มทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับกูบายวิธีที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้โดยชัดเจนจึงต้องอาศัยหลักของความเพียรเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาสอดซองมองรู้เรื่องของตัวเองที่จะเคลื่อนไหวไปทางไหนบ้างเพราะเรื่องของจิตแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องเสาะแสวงหาตามหน้าที่ของเขาที่มีสิ่งบงังคับให้ปักดันออกมาถ้าเราจะแยกออกมาพิจารณาทางพาดขันพาดอันในขันอันใน ที่มีอยู่ในโลกธาตุอันนี้จะเป็นธาตุขันธ์ที่ไม่มีความแปรความสลายซึ่งพอจะถือเอาว่าเป็นตนหรือเป็นของตนได้และพอที่จะทำความไว้วางใจได้กับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีพิจารณาดูกิถีของใจที่คิด กลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังทั้งกลางวันกลางคืนก็มีตั้งแต่เรื่องมายาทั้งนั้นเมื่อเรายังไม่ทราบคนมายาของเขาตราบใดเราก็พลอยใจรับความดีใจเสียใจสับสนปนเปรกกันอยู่เช่นนี้ตลอดไปแต่เมื่ออาศัยสติปัญญาพินิจพิจารณาให้ทราบเรื่องความเป็นมายาของ อาการของจิตที่แสดงอยู่แค่นี้เป็นลำดับลำดับไปแล้วเราจะทราบทั้งสถานที่เกิดทั้งความเกี่ยวข้องของเขาทั้งสิ่งที่จิตใจไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรเพราะตามธรรมดาแล้วอารมณ์ที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นก็ดีความเกี่ยวข้องของจิตก็ดี มันเป็นสภาพแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นตามธรรมชาติของเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพวนยึดถือหรือทำความสำคัญว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราดีนั่นเป็นเรา ชั่วนั่นเป็นเราดีนั่นเป็นของเราชั่วนั่นเป็นของเรามันเป็นของสลายของแปรสภาพเพื่อกันทั้งสองอย่างคือทั้งดีทั้งชั่วจิิงเหล่านี้ไม่มีความคงที่มีอาการแสดงและแปรสภาพเป็นลำหนับลำหนับไป ทุกๆขณะที่ปรากฏขึ้นมาต้องมีความแปรสภาพประจำตน้นจะเป็นที่ไว้ใจและเป็นที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราหรือควรจะทำความดีใจเสียใจกับเขาได้ที่ตรงไหนเมื่อเราไปทำความดีใจเสียใจหรือติดใจกับสิ่งที่เป็นมายานี้ มายาอีกฉากหลังก็จะแสดงขึ้นมาให้เราได้รับความทุกข์โดยเจ้าตัวไม่รู้อีกเหมือนกันแค่นั้นการเรียนวิชารู้เรื่องของจิตนี้จึงต้องอาศัยหลักสติหลักปัญญาตามที่พระองค์ท่านสอนไว้ จาคิดขึ้นมาแง่ไหนเป็นขึ้นมาอย่างไรภายในจิตเราต้องทราบเสมอว่านี่ก็คืออาการด้วยกันทั้งนั้นถ้าจะพูดว่าทางก็เหมือนกับทางที่เราจะก้าวไปเราไปที่ไหนๆข้องอาศัยหนทางไปก็จริงแต่ที่อาศัยทางไปนั้นไปเพื่อจุดประสงค์ที่เรามุ่งหวังตั้งหา เราไม่ได้มุ่งจะก่อปวยออนหอนทางนั้นไปด้วยจะเป็นทางขรุขระหรือเป็นทางสะดวกทางราบรื่นจะเป็นแดดเป็นฝนเป็นล่มไม้ชายเขาท่าน้ำซาราที่ไหนก็าตามเป็นที่พักที่อาศัยไปชั่วระยะการที่เราเดินทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นจุดที่เรามุ่งประสงค์ซึ่งควรจะนอนใจแล้วหยุดชะงักในการเดินทาง พักอยู่ที่นั่นเสียโดยเข้าใจว่าตนถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรื่องทางทั้งหมดต้องเป็นเรื่องที่เราจะเดินและผ่านไปทั้งนั้นตามที่กล่าวมาลักษณะของจิตก็อาการของจิตก็เช่นเดียวกัน มารโครได้แะ่ทางเดินของจิตจิตจะเดินไปกับอะไรถ้าไม่มีอารมณ์ดีชั่วเป็นเครื่องเดิมจิตจะรู้อะไรถ้าไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วซึ่งเกิดกับจิตเสียเองจิตจะหาความบริสุทธิ์ไม่ได้เมื่อไม่ทราบมุลทินที่เคลือบแข็งอยู่ภายในตนเองโดยแจ่มแจ้งหรือรอบขอบ สิ่งใดที่จิตได้พิจารณาจะเป็นดีหรือชั่วจะเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตต้องถือว่าเป็นเรื่องทางเดินของจิตที่จะต้องผ่านไปโดยไม่มีความเยื่อใยกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่มีการเอื้อมไปในสิ่งที่ยังไม่มาถึงทั้งจะต้องรู้ในขณะ ที่อาการของจิตปรากฏขึ้นมาเป็นลักษณะใดในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีทางที่จะทราบทั้งทางขรุขะและทางสะดวกซึ่งเป็นไปกับจิตของเราในขณะที่กำลังาําเผ็นวิพิจารณาอยู่เอาดีเกิดขึ้นก็ขอให้รู้ ทำความรู้เรื่องกับเรื่องความดีที่ปรากฏขึ้นมาและทำความเข้าใจรู้เรื่องกันแต่ไม่ได้ยึดถือว่าดีนี้เป็นเราจนถึงกับว่าจะเกิดความนอนใจหรือดีใจซึ่งจะกลายเป็นเรื่องความทุกข์ขึ้นมาในเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนพูดง่ายๆก็คือว่าจะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีปรากฏขึ้นมาในใจ ให้ทราบว่านี่คือทางคุขะและทางสะดวกมันมีอยู่ในทางสายเดียวกันแต่ต่างระยะกันเท่านั้นว่าอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังเช่นเดียวกับเราโดนทางอาจจะมีทางคุกกะหรือทางลาบลุนซึ่งเราจะเดินผ่านไปนั้นว่าจะอยู่ระยะ ข้างหน้าหรืออยู่ปัจจุบันที่เรากาลังเดินอย่นี้ก็ได้มีเรื่องของความดีความชั่วอาศัยอยู่กับจิตดวงเดียวแต่ต่างวรระที่จะแสดงตัวออกมาให้เรารู้เราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของใจดีก็ทำความเข้าใจกับความดีแต่อย่าถือว่าดีนั้นเป็นเรา ชั่วก็ทำความเข้าใจกับชั่วเศร้าหมองก็ทาความเข้าใจกับความเศร้าหมองว่าเป็นสภาพอันหนึ่งเช่นเดียวกับหุนทางผ่องใสก็ทําความเข้าใจกับความผ่องใสนั้นว่าเป็นเช่นเดียวกับทางราบลืน่นแต่เราจะต้องผ่านไปด้วยกันไม่ว่าความเศร้าหมองความผ่องใสที่ปรากฏขึ้นกับตัวเองให้ทําความเข้าใจไปเสมอ เบื่องของจิตแล้วจะแสดงอาการใดๆขึ้นมาให้ทราบว่าเป็นเช่นเดียวกับคนทางทางนั้นแดดเราก็จะต้องไปฝนตกเราก็จะต้องไปร่วมไม้เราก็อาศัยแต่จะไม่อยู่เวลาร้อนก็ดื่มน้ำแต่ไม่หยุดเดินทางมีศาลาตามระหว่างทางก็หยุดพัก เวลาเมื่อยลาแต่เราไม่อยู่เพราะเข็มทิศเราไม่ได้มุ่งมาเพื่อจะอยู่ในสถานที่เหล่านี้แต่มุ่งเพื่อจุดประสงค์ที่เราต้องการว่าจะไปถึงหมู่บ้านหรือสถานที่ใดซึ่งควรจะอยู่ตามความต้องการของตนที่มุ่งเอาไว้หลักของการดำเนินทางด้านจิตใจก็เหมือนกันเช่นนั้น เรื่องของสุขของทุกข์ของดีของชั่วรองความเศรมองผ่องใสจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางจะต้องประสบด้วยกันและต้องรู้เรื่องและผ่านไปด้วยกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะถือเอาด้วยกันทั้งนั้นผู้นั้นต้องเดินไปเสมอคือได้แก่การพิจารณาไปเสมอไม่ลดละทุกๆสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจ ต้องทำการพิจารณาให้รู้เรื่องของกันและกันแล้วผ่านไปเป็นลำดับลำดับจนถึงจุดหมายปลาทางอันหมดความหมายในสิ่งห น, งนึเช่นเดียวกับบุคคลที่ถึงจุดหมายที่ตนประสงค์แล้วหมดความหมายในพ้นทางจะเป็นราบลื่นหรือภูขระกอบรฉะนั้นนี่วิธีดำเนินจิตเราต้องทำความเข้าใจกับจิตของเรา ถ้าเราไม่ทําความเข้าใจกับจิตแล้วก็ชื่อว่าเราทําความเข้าใจกับเราไม่ถูกต้องจะต้องประสบแต่เรื่องที่ไม่พึงปรารถนาเสมอไปทั้งทั้งที่เราไม่ต้องการแต่เราไม่รอบครอบในความไม่ต้องการของเราว่าจะแก้ไขหรือปรับปรุงตนโดยวิถีจึงจะเป็นไปพวกความสมหมัง จิตจะมีอะไรแสดงเราไม่ต้องท้อใจทำความอาถารนร่าเริงต่อสิ่งที่จะมาสัมผัสเสมอและทำความพอใจในการที่จะพิจารณาให้รู้เรื่องของสิ่งนั้นๆด้วยปัญญาของเราเสมอเรื่องการก้าวไปข้างหน้านั้นไม่ต้องสงสัยถ้าหากสติกับปัญญาได้ พิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสหรือเกี่ยวเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราอยู่เสมอเสมอแล้วต้องเป็นการกล้าวไปอยู่เช่นนั้นไม่มีอันใดที่จะขีดขวางสติปัญญาซึ่งเป็นการกล้าวไปของเรานี้ไม่ได้เพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งทั้งหมดที่เรียกว่าอาการของจิตหรือสิ่งที่มาแสดงกับจิตนี้ มันเป็นเรื่องของสมมุติที่จะก่อความกังวลหรือเป็นให้เราถือได้ถือเป็นภาระทั้งนั้นการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้ชอบด้วยปัญญานั้นเป็นการขอดถอนหรือผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้เป็นลาดับจนไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่และม า, มาแสดงตัวให้เป็นคนมายาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา นั่นเลยจะชื่อว่าเป็นผู้หมดปัญหาหรือเดินรอบโลกเห็นโลกโดยทั่วถึงโลกที่โลกทั้งหลายสมมุตินั้นนั่นเป็นโลกนอกไม่ใช่โลกวัฏฏะบนเพราะไม่ยังทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใดแต่โลกที่แท้จริง ซึ่งเรากำลังเดินเพื่อจะรู้รอบอยู่นี้นี่คือโ ล, โลกวัตตะบนถ้าเราหลงแล้วเราต้องรุ่มร้อนเราต้องได้รับกองทุกเพราะโลกวัตตะนอันนี้โลกอันนี้เป็นโลกสำคัญผู้จะเดินทางให้ข้ามโลกหรือให้เป็นโล ก, กวีทูลู้ทั่วถึงซึ่งโลกต้องรู้ทัวถึงเรื่องหัวใจของตัว เรื่องหัวใจของตัวเองมีอะไรบ้างแสดงออกมาในวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรบ้างเราต้องทําความเข้าใจดิทพิจารณาจนรู้เรื่องของสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาจากโลกในคือหัวใจของเราเมื่อเราทําความเข้าใจหรือพิจารณากับโลกภายในคือหัวใจของเราเราต้องมีวันจะข้ามโลก สมมุติโลกวัดตาบนโลกอันเ็นปด้วยกองทุกนี้ได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกทุกท่านโปรดได้ทำความเข้าใจกับโลกวัดตาบนซึ่งพามุนไปเวียนมาอยู่กับมวัวใจของเราแต่เราไม่สามารถจะสาบเขาได้ เมืองจากสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเรายังไม่แก่กล้าแต่อาศัยความพยันหมันเพียนที่ได้กล่าวไว้ว่าวิริเยาทุขมาจิตินี้เป็นมาตรฐานหรือเครื่องดำเนินอยู่เสมอแล้วเรื่องทุกข์ทั้งมวลจะต้องหมดไปจากหัวใจโลกอันนี้จะไม่มีตั้งอยู่ที่หัวใจอีกต่อไปใจนั้นจะเป็นใจที่หมดสมมตุติคือหมดเรื่องจากโลก ดูความหมุนเยนจะกลายเป็นมิวัตะาดุจการหมุนจะหมุนไปเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปในในไหนๆเป็นอันว่าหมุดปัญหาในมิวัตะจิตดวงด้วยอำนาจแห่งการพิจนารณารอบคอบในโลกภายในของตัวเองนี่และพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากโลกที่ว่าโลกวีทูลูด แจ้งโลกก็หมายถึงโลกอันนี้เป็นอันหนับหนึ่งโลกภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะต้องแนะนําพัฒมสอนมันเป็นอีกโลกหนึ่งต่างหากนั่นเป็นผลคอยได้จากโลกในได้แก่โลกกั บ, บีถูที่รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นมาความเป็นอยู่และความจะเป็นไปแห่งหัวใจของพระองค์ท่านโลกนี้เป็นโลกสําคัญ เราก็โปรดได้พิจารณาให้รู้เรื่องโลกนี้ของหนาจะเป็นผู้เรียนจบเรื่องเกิดแจกเจ็บตายนั้นเป็นมาด้วยกันทุกคนแต่เรียนไม่จบจึงต้องเรียนซ้ำๆซากๆเกิดแจเจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีใครจะยิ่งหย่อนวกว่กันในเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากเพราะเพียนโลกไม่จบ ถ้าเรียนจบแล้วก็กลายเป็นมุตหลุดพ้นจากเครื่องกด่วงจิตใจและกองทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ต้องกลับมาหมุนเวียนโดยเกิดตายตา ย, ตายกลับโลกกองทุกข์นี้อีกต่อไปดังนั้นในอณาจ า, ารย์พระธรรมเทศนานี้จึงความอำนาจคุณพระธรตมะตรตามพุ้มครองท่านทั้งหลาย ไห้ไมีความจดตาจสบายใจและบำเพ็ญตนด้วยความสดุกและสมหัโดยทวนมาต่างทุกทุกท่านเทอ